แตกทำลายไปในที่สุดสังขารในอดีตก็ตายไปแล้วในอดีตสิ้นไปแล้วในอดีตหมดไปแล้วในอดีตสังขารในอนาคตที่เรามุ่งหวังก็เพื่อแตกทำลายสังขารปัจจุบันนี้จะอยู่ได้ไหมอีกสองนาทีนี้ก็เลิกแล้วเนี่ยนะก็สังขารในแบบนี้ก็จะอยู่ไม่ได้แบบนี้ตลอดไปเพราะว่าได้เวลาเพลนพอดีนะก็ตอนนี้ก็สมควรกับเวลาคุณมาดูข้อความในวิสุทธิมตรตพยาตูปฐานัาณต่อจากเมื่อเช้า ในหน้าสองร้อยสิบห้าพยาตุปฐานญาณก็คือญาณที่เข้าไปตั้งไว้โดยความเป็นภัยถามว่าอะไรเนอะคือสิ่งที่มีภัยก็บอกว่าสังขารทั้งหลายนนะก็คือรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีภัย ถามว่าภัยของรูปธรรมและนามธรรมมาคืออะไรภัยของรูปภัยของนามก็คือมันเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวสารพัดชนิดประเทดูนะถ้าไม่มีรูปจกทุกข์หรืออย่างถ้าถ้าไม่มีรูปเนี่ยจะมีโรงพยาบาลต้องซ่อมบำรุงไหมจะต้องสแสวงหาอาหารมาคอยเลี้ยงดูไหมจะต้องลำบากในการทำมาหารับประทานไหมอะไรยางไงหากินก็น่าเกลียดไปนะราประทาน มันลำบากมากๆเลยในการบริหารรูปถ้ายิ่งใครที่ไม่สบายด้วยเนี่ยนะจะเห็นว่ามันเป็นมหาภาระจริงๆวันไหนที่เดินขึ้นเขาเนี่ยจะรู้วันนั้นภาระหนักมากรู้สึกหนักขึ้นทุกก้าวทุกก้าวทุกก้าวไม่เชื่อก็ลองไปขึ้นเขาขึจักูดดูกันแล้วกันหรือไม่ก็ไปไหว้พระแถวเนี่ยที่ประจวบเขาช่องกระจกเขาอะไรสักอย่างเนี่ยนะขึ้นเถอะไปไหว้พระแล้วจะรู้ว่าขันห้านี่มันหนัก หรือมีธุระนัดกับเพื่อนและลิฟเสียเนี่ยนะนัดกันเจอชั้นยะี่สิบเนี่ยนะก็จะรู้ว่าขันเนี่ยมันหนักไปทุกทุกชัน้นทุกชัน้นัรรูปก็หนักการบริหารรูปเนี่ยนับว่าหนักนับว่าเป็นภัยถึงขนาดนั้นก็ยังบริหารง่ายกว่านามนามนี่เบาบางกว่ารูปมากโดยเฉพาะเวทนาทั้งหลายเวทนานเนี่ยเป็นสิ่งที่อาศัยรูปจะต้องบริหารรูปเพื่อหล่อเลี้ยงให้เวทนา หลอเลี้ยงเวทนาเพราะเวทนาเนี่ยดูแลยากบำรุงยากเช่นเราจะบริหารความสบายใจให้ ย, วยาวๆได้ไหมให้ยิ้มนั่งยิ้มทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะไม่รู้จักคำว่าเครียดเลยนะนี่นะ <c oughs> อันนั้นอกกิตแล้วนะเอายิ้มมากๆนึกว่าจะไม่ดีนึกว่าจะจะดีนะไม่ดีอีกแล้ว อ๋อแสดงว่าต้องดีใจมัง่งเสียใจมัง่งจริงเรียกว่าคนปกติว่างั้นเถอะเชื่อไหมพระริยเจ้าไม่มีโทมนัสเวทนาเลยตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปเนี่ยไม่มีคําว่าเสียใจเลยไม่มีคําว่าเครียดเลยไม่มีไม่มีปฏิฆานิมิตโดยประการทั้งปวงเพราะท่านไม่มีโทสะส่วนบุคคลระดับล่างกว่านั้นก็ยังมีโทสะมีเรื่องไม่สบายใจอยูเนี่ย จริงๆแล้วมันน่าสบายใจหรือไม่สบายใจก็ช่างเถอะแต่บุคคลทั่วไปเนี่ยจะเป็นคิดจนไม่สบายใจอันนี้คือปกติของคนทั่วไปเนี่ยนะคิดหาจนเจอปฏิฆานิมิตคิดแล้วก็เดือดร้อนใจโดยสรุปว่าเวทนาเนี่ยเป็นตัวที่บริหารยากเนี่ยนะบริหารความสบายใจโดยเฉพาะใจเนี่ยนะดูแลยากมากแค่ดูแลให้จิตเป็นไปกับกุศลอย่างยากเลย ดูแลดูแลไม่ให้อกุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นดูแลให้กุศ ล, ลจิตเนี่ยเกิดขึ้นยิ่งดูแลให้กุศ ล, ลวิบากเกิดขึ้นนี่ก็ยิ่งยากดูและจะได้นะถ้าเป็นวิบากก็ให้เป็นแต่เฉพาะกุศลวิบากอย่างเดียวจิตก็ดูแลให้เป็นแต่กุศลอย่างเดียวอันนี้ทํายากถ้าพูดในเนี่ยก็ทําไม่ได้ก็ไม่ผิดอะไรท่านภาระในการบริหารขันห้าบริหารรูปบริหารเวทนา บริหารสัญญาบริหารสังขารบริหารวิญญาณเนี่ยบริหารยากเรียกว่ามหาบริหารดูแลยากแล้วก็เป็นภาระมากเนี่ยนะภาระในการดูแลร่างกายและจิตใจบางทีดูแลร่างกายได้ดีแล้วกินอิ่มนอนหลับใช่ไหมในที่สุดก็ต้องไปดูแลด้านจิตใจอีกนะอย่างร่างกายของเราก็วันนี้วันพักผ่อนนะสบายร่างกายไม่ต้องไปทำอะไรมากอาหารก็มีทานบ้านก็มีอยู่อากาศก็กาลังพอดี คิดไปคิดมามีเรื่องไม่สบายใจเข้ามาจนได้อยังไง น, นะครับปัญธบริหารร่างกายเสร็จก็ต้องมาบริหารจิตใจบริหารจิตใจเนี่ยใจนี่มันในโลกนี้ต้องรับรู้อีกกี่เรื่องล่ะเรื่องราวในโลกนี้มันมากเหลือเกินบริหารจากเรื่องหนึ่งกไ็ไปไม่สบายใจอีกเรื่องหนึ่งจากอีกเรื่องหนึ่งสู่อีกเรื่องหนึ่งปัญธผู้ที่รับภาระในคอยในการคอยดูแลบริหารขันะนะจึงท่านเรียกว่าไผ่ปัญธขันห้าเนี่ยจึงเป็นที่ตั้งแห่ง ภัยเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวมากๆากเพราะว่าบรรดาภัยทั้งหลายถ้าไม่มีขันห้าภัยในโลกจะไม่มีงนั้นความน่ากลัวทั้งมวลเนี่ยเนื่องจากมีขันห้าดนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นจึงตั้งตั้งว่าขันห้าเป็นสิ่งที่มีภัยภัยของขันห้าก็คืออะไรก็เนื่องจากเขาไม่เที่ยงด้วยไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกสิ่งที่เป็นทุกเป็นทั้งเป็น เป็นของที่เป็นอนัตตาไม่มีสาระเก่นสารอะไรอย่างแท้จริงเมื่อพิจารณาใคร่ครวญเห็นแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของที่สิ้นไปเสื่อมไปสลายไปแตกดับไปขันในอดีตก็สลายไปในอดีตขันอนาคตก็จะสลายในอนาคตขันในปัจจุบันก็กำลังสลายไปรูปก็สลายเวทนาก็สลายสัญญาก็สลายสังขารก็สลายวิญญาณก็สลายเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นไปกับความ แตกสลายเป็นไปกับความแตกทาลายจะไม่เป็นภัยได้อย่างไรเนี่ยนะ ก, ก็น่ากลัวันผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ปรารภว่าการที่ไปใกล้ชิดสนิทสนมหวังอะไรนะเข้าไปเชยชิดติดข้องกับรูปนามขันห้ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะนะการที่ไปปิดติดพันรุ่มหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันนํามาซึ่งความน่ากลัวสารพัดชนิดเพราะว่าขันห้ามันเป็นอารมณ์ของจุติและปฏิสนธิ นีนโดยมากเนี่ยถ้ามีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะด้วยจิตชนิดใดก็ด้วยอกุศ ล, ลจิตซะส่วนใหญ่เพราะฉะจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งนั้นโดยมากยังไปสู่อาบายอั้นก็เห็นว่าไอ้ขันท่าเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งสรารพัดอกุศลเป็นที่เป็นอารมณ์แห่งภพที่ไม่ดีนะก็เลยเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวมากๆทีนี้เขามีคําถามว่าพยาตูปธานญาณเนี่ย ตัวเขาเองเนี่ยเป็นโทสะหรือไม่กลัวหรือไม่กลัวกลัวตัวนี้เป็นชื่อของโทสะนะขณะที่ยานเหล่านี้เกิดขึ้นมีโทสะหรือไม่ น, นะตอว่าไม่กลัวคำวมาแปลว่าไม่ได้มีโทสะเพราะว่ายานนั้นเป็นเพียงการพิจารณาว่าอดีตสังขารก็ดับไปแล้วปัจจุบันสังขารก็กำลังดับอนาคตสังขารก็จะดับดังนี้เท่านั้นคือไม่ใช่เกิดโทสะแล้วกลัวแบบอะไรนะ กลัวแบบโอ้โหเขาจะมาฆ่าก็ตัวสั่นเลยนะไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่ว่าพิจารณาเห็นความน่ากลัวของสังขารทั้งหลายเห็นความน่ากลัวกับความเกิดความกลัวขึ้นนี่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเปรียบเหมือนว่าบุรุษผู้มีตาดีกําลังมองดูหลุมฐานเพลิงสามหลุมไกล้ประตูเมืองตอนเองนี่ย่อมไม่กลัวเพราะว่าเขามีแต่เพียงพิจารณาว่า ทุกๆคนบรรดาที่ตกลงไปในหลุมเหล่านี้จกสเสวยทุกข์ไม่ใช่น้อยดังนี้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นชื่อฉันใด น, นะก็คนที่เห็นหลุมฐานเพลิงเนี่อรู้ทัตตกลงไปอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถามว่าขณะนั้นเขากลัวจนตัวสั่นอะไรเลยไหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพียงแต่เห็นความน่ากลัวของสิ่งนั้นเมื่อไรเนาะจะเห็นว่าผมเนี่น่ากลัวอย่างนั้ น, นนะ เล็บหน้ากลัวฟันหน้ากลัวผิวหนังก็หน้ากลัวขนคิ้วอะไรก็หน้ากลัวไปหมดเลยสาธุถ้าทําได้ก็อนุโมทนาบุญด้วยอ่าคนละอย่างกันโอต ป, ปะนั้นเป็นชื่อของอเหตุใกล้ของศีลแต่ขณะที่กลัวก็มีโอต ป, ปะอยู่ด้วยโอต ป, ปะก็ทํากิจเยอะเหมือนกันเห็นไหมโอต ป, ปะก็มีกําลังะนะเรียก่โอต ป, ปะพละแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นชื่อของปัญญา ปัญญาที่เข้าไปเห็นความน่ากลัวของสิ่งนั้นอีกหรืออีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษผู้มีตาดีกําลังมองดูเหลาสามอันคือเหลาไม้ตะเคียนเหลาเหล็กแล้วก็เหลาทองที่เขาปักเรียงกันไว้ตนเองนี่ย่อมไม่กลัวเพราะว่าเขามีแต่เพียงการพิจารณาว่าทุกๆคนบรรดาที่ล้มลงไปบนเหลาเหล่านี้จกเสวยทุกข์ไม่ใช่น้อยนนะก็เหมือนกับเห็นหอก ค, คมๆใช่ไหม ถ้าใครตกลงไปในห อ, อกนี่ก็เป็นยังไงทุกแน่ฉันใดก็คือเห็นความน่ากลัวของห อ, อกของหลาวที่คมคมเนี่ ย, ยพยตต ป, ประทานญาณก็ฉันนั้นเหมือนกันตนเองย่อมไม่กลัวเพราะไม่มีโทสะอะไรขณะที่ปัญญาเกิดไม่มีโทสะเกิดร่วมด้วยทําให้กลัวอะไรแต่เพราะว่ายานนี้มีแต่เพียงการพิจารณาว่าอดีตสังขารได้ดับไปแล้ว ปัจจุบันสังขารก็กําลังดับอนาคตสังขารก็จกดับในภพสามอันเหมือนหลุมฐานเพลิงสามหลุมและก็เหมือนกับหลาวสามหลาวแต่อย่างเดียวเท่านั้นแต่เพราะเหตุที่สังขารทั้งหลายอันเป็นไปในภพกําเนิดคตินิวาทั้งปวงซึ่งถึงความพินาศเป็นของมีภัยเฉพาะหน้าจึงปรากฏแก่ยานนั้นว่าน่ากลัวอย่างเดียวฉะนั้น อย่างนั้นจึงเรียกว่าพะยะตุปฐา น, านัญาณเห็นความน่ากลัวของภพสามเลยมันก็บอกว่าอย่างเราเคยได้ยินว่าอริยาสาวกไม่ปรารถนากรร ม, มคุณแม้แต่เป็นของสวรรค์ของทิพย์เพราะก็เห็นว่าถึงสวรรค์ก็เหมือนกับอะไรนะนรกก็เหมือนกับเหล้าชนิดหนึ่งที่เป็นเหล้าที่เหล้าสนิมเหลาเหล็กมีสนิมเนี่ยนะมนุษย์ก็เหมือนกับเหลาสแตนเลสเนี่ยนะเทวดาก็เหมือนกับเหล้าทองจะตกไปในเหลาไหนดี เหล้าสนิมเหล็กสนิมเคลือบหรือว่าเหล้าสแตนเลสหรือว่าเหลาทองเลยเอเหล้าไหนดีที่สุดไม่เอาซักเหลาเลยนะสาธุความให้จริงอย่างว่าเนของสวรรค์เลยโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยนะนี่จะต้องเกิดในสวรรค์อีกแล้วหรือเนี่ยน่าเบื่อจะตายอย่างนั้นเลไม่เที่ยงเลยอย่างนั้นแต่เชื่อไหมว่าพระอริยะสาวกพระที่สุสมัยพุทธกาลเนี่ยโดยมากเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านบอกว่า ถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านตายตอนนี้ท่านไม่สงสัยหรอกว่าจะไปสวรรค์เนี่ยท่านไม่สงสยัยแต่บอกว่าเบื่อเหลือเกินที่จะต้องตายแบบคนมีกิเลสเนี่ยนะตายแบบคนมีกิเลสพนตายแล้วก็ยังมีขัน5้าอีกทิ้งภาระอันนี้ก็ไปถือเอาภาระอันใหม่ถือเอาขันอันนี้ก็ไปถือเอาขันอันใหม่มันเป็นภาระที่ไม่มีจบมีสิ้นมันท่านจึงน่าเบื่อเนี่ยนะท่านคือใจจริงๆก็อยากแจกรักว่า เหมือนกับว่าอยากหายป่วยนะถึงจะยาหวานขนาดไหนก็ไม่อยากกินอีกแล้วเพราะเบื่อไอโรคนี้เต็มทีแล้วขันห้าคือตัวโรคไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นถึงจะได้สเสวยอิทธารลมสเสวยวิบากที่น่าปรารถนามันก็ยังเป็นสิ่งที่มาบำรุงตัวโรคบำรุงขันห้าอีกอยู่ดีพะะนันก็เบื่อขันห้าเบื่อโรคเต็มทีแล้วเนี่ยนะถึงจะยาหวานก็ไม่น่าปรารถนาใช่ไหมคือขันห้านี้เป็นเหมือนโรคหรือเป็นตัวโรคอ น, นะ อย่างในอบายก็เหมือนว่าถ้าไปในอบายก็เหมือนกับได้รับแต่ยาชนิดที่เรียกว่ายาอะไรนะยาขมน้ำกรดนะนะยาขมผสมน้ำกรดราดรถอยู่ทั้งวันป่วยก็ป่วยอยู่แล้วใช่ไหมไปเจอแต่ยาขมผสมน้ำกรดนี่แหมมันไม่ไหวแล้วมาเป็นมนุษย์น ะ, ะยาหวานผสมยาขมก็อย่างี้ถ้าเป็นเทวดาเอาก็รับแต่ยาหวานอย่างเดียวแต่ก็ยังเป็นคนป่วยอยู่ดีก็ยังเป็นคนมีโรคอีกอยู่ดี ถึงไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นเป็นเป็นคนไข้เป็นคนที่มีโรคนั้นไปอยู่ที่ใดถึงจะรับยาชนิดใดก็ตามก็เห็นว่านี่คือคนป่วยคนพิการคนมีโรคเนี่ยนะมันก็เลยบอกว่าเบื่อขันห้าขันห้าจะเป็นขันห้าในพบสามหน้าเบื่อหมดเลยขันห้าในพบสามหน้ากลัวทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่เฉพาะกลัวแต่พบสามใช่ไหมกาเนิดสี่ก็หน้ากลัวหมดเลยจะเกิดที่ใดที่ใดนึกไปก็หน้ากลัว เกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท้าใครเกิดในส้วมเกิดที่ไหนก็น่ากลัวหมดเลยะเกิดในส้วมเนี่น่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมไม่เรียนวิปัสสนาก็กลัวอยู่แล้วนะบางคนก็บอกช่างมันเถอะขอให้มันเกิดอย่างเดียวเป็นใช้ได้จะเกิดเป็นนอนก็ช่างมันบางคนเนี่ยไม่กลัวไม่แต่ขนาดนั้นนะกลัวแต่ศูนย์อย่างเดียวกลัวแต่กลัวอะไรนะกลัวไม่มีวัฏตะต่อไปเนี่ยนะกลัวไม่ได้บริหารขันห้าเนี่ยบางคนนี่กลัวมาก ส่วนในความปรากฏว่าเป็นของน่ากลัวโดยประการที่ได้กล่าวแล้วแห่งยานนั้นมีพระบาลีดังต่อไปนี้ถามว่าเมื่อพระโยคาวจรมณสิการว่าไม่เที <IL> ่ยงอะไรปรากฏว่าเป็นของน่ากลัวเมื่อมณสิการว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาอะไรปรากฏว่าเป็นของน่ากลัวตอบว่าเมื่อมณสิการว่าไม่เที่ยงนิมิตย่อมปรากฏว่าเป็นของน่ากลัวเมื่อมณสิการว่าเป็นทุกข์ประวัตตะ ย่อมปรากฏว่าเป็นของน่ากลัวเมื่อมนสิการว่าเป็นอนัตตานิมิตและปวะตะย่อมปรากฏว่าเป็นของน่ากลัวจะคิดว่าอนิจจังก็กลัวคิดว่าทุกขังก็กลัวกลัวด้วยปัญญาเนะมนสิกานโดยความเป็นอนัตตาก็เห็นว่าน่ากลัวคำว่านิมิตคืออะไรนิมิตได้แ ก, ก่สังขาร น, นิมิตคิดยังไงสังขารก็น่ากลัวนั่นนะ คาว่านิมิตนี้เป็นชื่อของสังขารทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนั่นเองอ น, นะก็คิดนะคิดถึงสังขารในอดีตก็น่ากลัวคิดถึงสังขารอนาคตก็น่ากลัวม ณ, มณสิการสังขารในปัจจุบันก็น่ากลัวมันสังขารคือขันห้าไม่ว่าจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันมันน่ากลัวทั้งนั้นเลยเนี่ยนะอันนี้ถ้าถ้าถ้ามีปัญญาเจริญวิปัสสนาก็จะเห็นว่าสังขารอดีตอนาค ต, าคตปัจจุบันน่ากลัวหมดเลย แต่ถ้าไร้ปัญญาลนะ่ะน่าชื่นใจหมดเลยตรงกันข้ามหมดนะปฏิปทาถ้าเจริญวัตตะนะก็บอกว่าโอ้อดีตก็ไม่เลวอนาคตก็ยังพอมีหวังปัจจุบันนี้ก็สดชื่นถ้าอย่างนี้ก็วัตตะยาวแนะ่แต่ถ้าผู้ที่เขาอบรมปัญญาบอกว่าอดีตนะสังขารก็น่ากลัวอนาคตต่อไปสังขารก็น่ากลัวปัจจุบันนี้สังขารไหนไม่น่ากลัวบ้างเอะ ลองลืมตาดูเถอะถามว่าใครไม่น่ากลัวบ้างที่นั่งอยู่ในนี้วันก่อนยังบอกเลยวัตถุอันตรายทั้งนั้นแหละอย่างนะบอกโปรดระวังวัตถุอันตรายลองไปแห่ดูทีเออรู้จักน้อยไปยงนะ <c oughs> เป็นความจริงว่าพระโยคาวจรเมื่อมนัสิการว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นแต่ความตายของสังขารทั้งหลายเท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นนิมิตจึงปรากฏแก่พระโยคาวจรนั้นว่าเป็นของน่ากลัว คือคิดไปในหนึ่งนะคิดถึงสังขารไหนบ้างที่ตายไม่เป็นเ mm. มื่อสังขารทุกสังขารเป็นสิ่งที่ตายเป็นสังขาร น, นั้นจะน่ากลัวไหมเหมือนกับว่าถ้าเป็นเป็นหมอเป็นพยาบาลก็คนคไข้รายที่หนึ่งมาก็อีกสิบนาทีข้างหน้าก็ตายอย่างนั้นกะ็ทยอยตายมาเรื่อยๆลำเลียงคนตายมาเรื่อยๆๆๆเนี่ยถามว่านา่ากลัวหรือน่าพอใจอนะั มันทุกคนก็ซื้อบัตรมาตายอย่างนั้นแต่ซื้อบัตรมาตายซื้อบัตรมาตายซื้อบัตรมาตายเนี่ยถามว่ามันน่าพอใจตรงไหนนี่ก็เหมือนกันที่นั่งหัวเราะกันนี้ใครตายไม่เป็นบ้างเนี่ยนะร้ายคนก็ไปเสียใจโอ้โหคนโน้นก็ตายแล้วคนนี้ก็ตายแล้วแม้พูดอย่างกับคนพูดไม่ตายเงี้ยคนพูดก็ยังตายเป็นพระสังขารทั้งหลายก็มีแต่ความตายจะไม่น่ากลัวได้อย่างไรอย่างชีวิตของเราทั้งหลายนะอดีตที่ผ่านมาคุณตายมากี่ครั้งแล้ว ตายมาพบแล้วพบเล่าอย่างที่พระองค์ตรัสว่ากระดูกมากกว่าภูเขาเหล่าปาถ้าหากว่ายังไม่เห็นอริยสัตว์ตัดเยื่อใหยในขันห้าไม่ได้นี่นะเราจะต้องเอาสรีระไปทิ้งไว้ที่ไหนบ้างเนอเอากระดูกไปเรียราดไว้ที่ไหนกระดูกของชาตินี้ไปเรียราดไว้วัดไหนบ้างเนอแล้วกระดูกของชาติหน้าไปทิ้งไว้ที่ไหนบ้างอ่านะทิ้งทะเลเหรอ <laughs> ทิ้งทะเลก็เป็นหอยแล้วมั้ง <laughs> เห็นคลื่นมันซัดขึ้นนี่แต่เปลือกหอยเลยนะ นานๆก็จะมีซากปลาบางทีก็มีแมงกะพรุนขึ้นมาจะดูว่าจะเป็นอะไรก็แล้วกันั้นถ้าหากว่ายังเวียนว่ายตายเกิดนะก็อย่างนี้แหละท่านปัญญานี้จึงเห็นว่าสังขารเนี่ยนะถ้ามีสังขารจะมีในอดีตสังขารก็ไม่เที่ยงหรอกนิมิตตัวนี้เป็นชื่อของสังขารใช่ไหมสังขารจะที่ใดก็ตามอนิจจาวัตสังขาราวันยังค่ําสังขารในอดีตก็สิ้นแล้วในอดีตสังขารอนาคตก็จะสิ้นในอนาคตสังขารปัจจุบัน มีตรงไหนมัง่งจะไม่สิ้นไปไม่สลายไปอย่างเช่นสังขารคือตาเนี่ยนะตาเนี่ยกลมกลมกลมกันอยู่นี่ใส่บ้างขุนบ้างมัวบ้างอยู่เนี่ยถามว่าจะไม่บอดเลยหรือจะไม่เสียหายเลยหรือไอก้ก้อนข้างในมันก็เป็นถุงพลาสติกใส่น้ําดีดีนี่แหละถ้ามองแบบเปรียบเทียบนะก็เหมือนกับถุงพลาสติกใส่น้ําซึ่งมันไม่ได้คงทนอะไรเลยเนี่ยนะแล้วก็บางอย่างมันก็พร้อมที่จะบอดพร้อมที่จะเสียคิดดูนะใครจะเชื่อว่าปากกามาทิ่มตาบอดได้ ปากกาก็ยังทิ่มตาบอดได้ใช่ไหมแสดงว่าบอบบางยิ่งกว่าปากกาซะอีกเนี่ยนะบอบบางยิ่งกว่าเสี้ยนบอบบางยิ่งกว่าอย่างอื่นก้อนกรวดก้อนหนึ่งยังแข็งกว่าลูกตาตั้งไม่รู้เท่าไหร่ถ้าดีดมาปึ้งเดียวก็มีเด็กคนหนึ่งอะเขาเล่นชอบเล่นไก่ชนไม่รู้ไก่ตีไปยังไงไม่รู้ถูกตาบอดไป ย, ยังไงอะไรบ้างหนอที่ไม่เป็นปัจจัยให้แก่ตาบอดได้แม้กระทั่งสเก็ตแม้กระทั่งพงแม้กระทั่งอะไรก็พร้อมที่จะทําให้ ตาเสียหายตาบอดมันสังขารเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สลายมันตาก็น่ากลัวหูก็น่ากลัวจมูกก็น่ากลัวลิ้นก็น่ากลัวร่างกายแต่ละส่วนก็น่ากลัวหมดเลยเพราะเป็นสิ่งที่สลายสังขารในอดีตก็น่ากลัวเพราะเป็นสิ่งสลายถ้ามีสังขารใหม่ๆต่อไปในอนาคตสังขารเหล่านั้นก็น่ากลัวเพราะเป็นสิ่งที่สลายเหมือนกันนั้นพระโยคาวจรผู้มนัสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยง จะเห็นว่าสังขารทุกสังขาร น, นี่น่ากลัวหมดเลย น, นะไม่น่ายินดีแม้แต่สังขารเดียวคําว่าปวัตตะที่บอกว่าเมื่อมนัสิการโดยความเป็นทุกข์เนี่ยจะเห็นว่าปวัตตะน่ากลัวปวัตตะนี่หมายถึงความเป็นไปในรูปประพบและอรูปประพบเป็นความจริงว่าพระโยคาวจรเมื่อมนัสิการว่าเป็นทุกข์ก็ย่อมเห็นแต่ความบีบคั้นเนืองๆแห่งความเป็นไป แม้ที่เข้าใจกันว่าเป็นสุขเพราะเหตุนั้นประวัตะจึงปรากฏแก่พระโยคาวจรนั้นว่าเป็นของน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวได้อย่างไรใช่ถ้าเราลองคิดดูนะเอาเอาลักษณะสถิติมาจับถ้าใครเกิดมามีบุญมีอ า, อายุเอาร้อยปีเลยอ่ะร้อยปีเลยชีวิตชั่วร้อยปีที่เขาเกิดขึ้นมาร้อยปีเนี่ยทุกชาติให้มีอายุร้อยปีทุกชาติทุกชาติทุกชาติเลยดีไหมนะ เอางี้ก็แล้วกันร้รอยปีเนี่ยนะคุณจะต้องนอนหนึ่งร้อยสามหมื่นกว่าครั้งเนี่ยนะนอนกี่ชั่วโมงตกลงถ้าสมมตินอนวันละแปดชั่วโมงนอนอยู่สามสามหมื่นกวันเนี่ยนะคูณเข้าไปคุณอยู่ในอิริยาบทเดียวนี่เหมือนตายเป็นนาน <c oughs> น, นะนะต้องคุณต้องกินอาหารวันละสามมือ้อมื้อละกี่คําดี คุณต้องเคี้ยวอยู่นั่นแหละงับงับงับงับเคียวแล้วกลืนเคียวแล้วก็กลืนเคียวแล้วก็กลืนอยู่นั่นแหละคุณต้องเดินวันละกี่ชั่วโมงต้องนั่งวันละกี่ชั่วโมงต้องต้องลุกต้องเดินต้องนั่งต้องมีเรื่องที่ลำบากใจก็ต้องปากแดดกี่ชั่วโมงจะต้องเปียกฝนกี่ครั้งจะต้องพยงร่างกายเนี่ยไปเท่าไรเท่าไร่งนั้นชีวิตที่เกิดมาเนี่ยถามดูยิงคนที่มีความสุขนี่มีใครบ้าง ทุกเหมือนกันหมดอ่ะนะเพราะทุกคนมันต้องแบกขันห้าเหมือนกันอย่างที่ว่าถ้าน้ําหนัก80ดสิบเนี่ย ก, ก, ก็ลุกก็ลุก80ดนั่ง80ดนอนแปดิลิ้งซ้ายกลิ้งขวาก็พลิก80ดกิโเนี่ยพลิกไปพลิกมาจะต้องบํารง80ดกิโลไปที่ไหนก็ยก80ดกิโลเนี่ยแบกไปเนี่ยนายกไปยกมือก็ยกยกมือทีห่งกี่กิโลอ๋อมือนี่หลายกิโมือนกันนะยกมือขึ้นเนี่ยเอาหลายกิโลกรัมก็ต้องแบกน้ําหนักตัวเองเนี่ยแบกไปเถอะเนี่ยนา เราจะต้องคอยอาหาอาหารมาบำรุงบำรเรเนี่ยนะจะต้องหาอาหารมากินอโนนก็กินได้ น, นี่ก็กินได้กลายเป็นคนที่หิวมาหาพูดไปหมดเลยเวันนึกไปนะไปที่ไหนที่นั่นมีอาหารหรือเปล่าก็ไปหาดินน้ำลมไฟกินไปเรื่อยที่นั่นมีดินน้ำลมไฟให้กินหรือเปล่าเป็นคนที่หิวในมหาพูดอยู่ตลอดเวลานะก็แสดงว่าไม่รู้หลอกผีหรือผีหลอกไม่ทราบก็เที่ยวสแสวงหามาหาพูดอยู่นั่นแหละไปที่นั้นมีดินน้ำลมไฟให้กินไหม มีดินน้ำลมไฟให้นอนไหมมีดินน้ำลมไฟให้อาบไหมก็ไปเที่ยวเพราะอะไรเพราะตัวเองติดอยู่ในธาตุดินก็ไปเที่ยวสแสวงหาแต่ธาตุดินแล้วดินเหล่านั้นนะสมมติอาหารสักถ้วยหนึ่งปรุงมาง่ายๆหรือไม่กว่าจะเป็นอาหารถ้วยหนึ่งกว่าจะเป็นข้าวหม้อนหนึ่งมาอย่างไงจะต้องผ่านกรรมวิธีอะไรบ้างกว่าจะมาเลี้ยงกายเหล่านี้ขึ้นแล้วกินไปก็ไม่ใช่ว่ามันจะให้คุณเสมอไปใช่ไหม อาหารบางอย่างเดี๋ยวก็ท้องอืดอีกแล้วเดี๋ยวก็ท้องเสียอีกแล้วเดี๋ยวก็ทานไปมากท้องอืดเดี๋ยวก็ท้องเสียอืดเสียเสียอืดอืดเสียอย่างนั้นแหละกวนๆเนี่ยนะก็นั่งคิดว่าเราต้องใช้เวลานั่งอุจจระทั้งชาติกี่ชั่วโมงกันนะก็โอ้วันหนึ่งเข้าห้องน้ําสมมุติว่าเฉลี่ยห้าครั้งเนี่ยนะคุณต้องเข้าห้องน้ํากี่ครั้งและกี่นาทีแล้วทั้งชาติอยู่ในห้องน้ํากี่นาทีนนั่นคิดดูเธอว่าชีวิตี่จะต้องบริหารขนาดไหนจะต้องแปรงฟันวันละกี่ครั้งงงจจะะตต้้อออดดููแแลลฟันคยกศีีร่่ท แบกยกหัวให้มันพยุงอยู่อย่างเงี้ยน้ำหนักเยอะนะะแบกหัวตัวเองขึ้นให้มันตั้งตรงๆเนี่ยไม่เอียงไม่พับไม่งอเนี่ยก็ใช้น้ำหนักเยอะนั่นก็ลําบากแต่ก็ทนได้นะจริงของพวกเราทั้งหลายเนี่ยพูดแบบอุ้ยอดทนจริงๆเลยนะต่อสู้วัตตะทนทุกอย่างเพื่อวัตตะเนี่ยนะคิดๆอย่างเช่นยิ่งผูดแล้วก็คนที่เกิดมามีความสุขสบายหน่อยก็ไม่มาก แล้วอย่างบางคนเนี่ยยกหัวตัวเองขึ้นเนี่ยก็ว่าเราก็ว่ามันหนักเลยใช่ต้องไปยกอีกห้าสิบกิโลอยู่บนหัวเนี่ย<_><_>เคยเห็นคนแบกปูนยช่ชีพแบกปูนอันนั้นห้าสิบกิโลนี่เบาแบกข้าวสารนี่ร้อยกิโลอันนั้นแบกข้าวสารร้อยกิโลบางคนก็แบกปูนสองลูกเนี่ยนะไอ้คอตั้งแล้วเอาปูนมาตั้งอีกสองลูกแล้วก็เดินไปเนี่ยนะจะต้องหนักอย่างนั้นบางคนเนี่ยยกแต่ร่างกายก็หนักเลยใช่ไปสีรังกายก็มีกระเตงกระเตงหม้อไปด้วยหม้อน้ำอันนั้บางคนก็หาบไปคอนไป กแบกน้ำหนักบางคนก็แบกลูกจูงล้านอะไรก็หนักมันไม่ได้ไม่ได้โดดโดเดี่ยวเด่ยวลุ้นล้วนใช่ไหก็ต้องแบกโนนพยุงนี่จับโนนหิ้วนี่โอ้ยหนักมากแต่ก็ยังชมอยูอ่ทำไมทนกันอยู่ได้นะเก่งจริงๆเลยเนยะดูเหมือนอดทนนะ <c oughs> เป็นการทนที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะมีอะไรนอกจากความเขา มันเห็นว่าความเป็นไปในวัตฏะในภูมิสามเนี่ยเป็นของที่น่ากลัวจริงๆนะความเป็นไปนะทิ้งพบแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าที่จะต้องทิ้งภาระทิ้งขันเนี่ยนะส่วนผู้ที่มานสิการโดยความเป็นอนัตตาก็จะเห็นว่าสังขารทุกสังขารไม่เที่ยงด้วยแล้วก็เป็นภาระที่บริหารไม่มีที่สุดด้วยเอาคิดดูนะว่าจะต้องเลี้ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยแล้วเป็นภาระด้วยเนยนะ รู้มันไม่เที่ยงแต่มันเป็นภาระมันเป็นของหนักอย่างการดูแลอะไรนะเหมือนให้เราแผนกดูแลคนแก่ที่เกือบจะตายเนี่ยนะดูแลยังไงก็ตาย น, นะรายที่หนึ่งมาก็ต้องดูแลป่วยก็ป่วยเต็มทีแล้วเดี๋ยวก็ตายอันหม่อีกป่วยเต็มทีมาเดี๋ยวก็ตายพยาบาลแผ น, นกไหนดีอะไรนะแผนกผ่าตัดนยะผ่าตัดบางอย่างนะผ่าตัดชนิดที่เรียกว่าฟื้นยอด สมมติ่าดูแลภาระกวนหนักเต็มทีอยู่แล้วแล้วก็สองวันผ่านไปก็จุติอย่างเงี้นะดูแ ล, แลแล้วก็ตายดูแลแ ล, แ ล, แล้วก็ตายนะมันก็ถือว่าหนักหนาสาหัสมากนะมันผู้ที่มานสิการโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยจะเห็นว่านิมิตคือสังขารไม่เที่ยงความเป็นไปในวัฏจักก็เป็นทุกข์นเนี่ยนะก็เลยเห็นว่าเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูญว่างคือว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนเปล่าจากแก่นสารสาระ ศูนย์จากความเที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีเจ้าของไม่มีผู้นำกายเนี่ยขันห้าเหล่านี้ก็เหมือนกับบ้านร้างเหมือนกับบ้านร้างเหมือนกับพยับแดดเหมือนกับพยับแดดเหมือนเมืองคนทันเมืองคนทันนี่เมืองอะไรเมืองในจินตนาการสร้างสวรรค์ในจินตนาการขึ้นมาลักษณะนั้นนะ คือเขามีบอกว่าเทวดาบางเทวดาเนี่ยนะเขาเรียกว่ากลุ่มคนท่านเนี่ยจะสร้างเมืองขึ้นในอากาศเพื่อมาเล่นสนุกเสร็จแล้วเมืองนั้นก็อันตรธานหายไปก็พูดอีกในหนึ่งก็เหมือนในเหมือนเมืองที่พวกฉายหนังสร้างเมืองขึ้นนะนะสร้างเสร็จก็เมืองนั้นก็ก็หมดไปใช่ไหมก็เมืองในภาพยนตร์อ่ะนะมันก็มีอยู่แค่นั้นนหะเพราะฉะนั้นนิมิตและปะวตตะทั้งสองย่อมปรากฏแก่พระโยคาวจร น, นั้นว่าเป็นของน่ากลัว มันผู้ที่มีปัญญาอบรมเจริญวิปัสสนานั้นจะเห็นว่ามานสิการว่าไม่เที่ยงก็น่ากลัวมานสิการว่าเป็นทุกข์ก็น่ากลัวมานสิการว่าเป็นอนัตตก็น่ากลัวเนี่ยนะอันนี้ถ้าถ้าเป็นปัญญาที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ว่าเมื่อใส่ใจว่าอนิจจังก็น่ากลัวใส่ใจว่าทุกขังก็น่ากลัวใส่ใจว่าเป็นอนัตตก็น่ากลัวมีแต่ความน่ากลัวทั้งนั้นเลยสังขารทั้งหลายและความคิดอนันต์น่ากลัวด้วยไหม ความคิดที่น่ากลัวนี่น่ากลัวด้วยไหมสาโทนะให้กลัวความคิดอันนั้นด้วยนะเรียกว่าไอ้ความคิดอันนี้เจ๋งที่สุดแล้ว <c oughs> ที่นายได้ความคิดอันนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะความคิดอันนั้นก็นิมิตและประวัติศาเหมือนกันอันนั้นนิมิตเพราะว่ามไม่เที่ยงประวัตะคือแหมบริหารวิปัสสนานี่บริหารง่ายไหมบริหารให้ปัญญาเกิดขึ้นว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ย บริหารสติบริหารปัญญาบริหารความรู้ให้เป็นไปนง่ายไหมบริหารไปเดี๋ยวปัญญามันก็ไม่ค่อยเกิดแล้วนะอะไรเกิดแทนอัปัญญาก็เกิดแทนโมหะก็เกิดแทนทีนี้เมื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้น่ากลัวก็มาดูว่ามันมีโทษอย่างไรอาทีนวานุปัสนาเนี่ยนะอาทีนวะอาทีนพเนี่ยมันมีโทษอย่างไรเนอขันห้าขันห้ามีโทษอย่างไร เมื่อพระโยคาวาจรนั้นเสพอยู่เจริญอยู่ทำให้มากอยู่ซึ่งปัจะะตูประฐานายาย น, นั้นก็ไม่ปรากฏที่ต้านทานไม่รู้จะไปหลบอยู่ตรงไหนนะไม่ปรากฏที่หลีกเกรนไม่ปรากฏที่ไปไม่ปรากฏที่เพึ่งอาศัยในภพกําเนิดคติวิญญาณติเตและสัตตาวาสรุปไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนดีจะมอหาที่อยู่เจอหรือยังยางนะไปอยู่บ้านไหนดีนาะเนี่ยนะไปอยู่ภูมิไหนดีไปอยู่ ตรงไหนดีนะไปอยู่พบไหนนะไปขอเป็นบริวารใครนะจะไปขอเป็นอยู่จเจ้าเมืองอยู่เมืองไหนอย่างนะเมือ <_ d ream> งไหนก็มีแต่สงครามไปหมดก็ไม่รู้จะลีกไปอยู่เมืองไหนใช่ไหมนะ <_ d ream> ไม่รู้จะไปอยู่ที่ใดไม่ยุบรู้ไปอยู่พบใดที่มันปลอดภัยก็เลยเห็นว่าไม่มีที่ต้านทานหมายความว่าถ้าเป็นทหารก็ไม่มีบังเกอร์อะไรมาบังอะไรจริงๆอะไรหรอกแล้วก็ไม่รู้จะหลบลีกไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ในรูเลยเหมือนหนูอย่างเงี้ยนะ หลาไปก็ไม่พ้นอีกก น, นะไม่รู้จะหลีกไปอยู่ตรงไหนไม่ปรากฏที่ไปไม่ปรากฏที่พึ่งอาศัยไม่มีที่พูดแบบภาษาไทยๆนะครับไม่มีที่พักพบเลยไม่มีที่พักชาติพักชรามรณะเลยความร้องขอเอาไว้ได้ก็ดีความยึดถือไว้ได้ก็ดีในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปในภพกําเนิดกตินิว่าททั้งปวงแม้สักสังขารหนึ่งก็ไม่มี ร้องขอเอาได้ไหมขอให้เที่ยงขอให้สุขขอให้ยั่งยืนขอให้มีอำนาจอย่างแท้จริงก็ขอไม่ได้ยืดถือให้เที่ยงให้สุขให้เป็นอาตาัต t าก็ยืดไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวพบสามปรากฏดุดหลุมฐานเพลิงแน่ใจนะว่าที่ชายทะเลเนี่ยเหมือนหลุมฐานเพลิงแน่ใจใช่ไหม อ, อ๋อไม่ได้ไปเที่ยวชายทะเลมานานเลยนะแน่ใจนะว่ากินเลี้ยงเย็นนี้เนี่ยหลุมฐานเพลิงชัดๆเลยนะเต็มไปด้วยฐานเพลิงเล ย, ยนะเป็นฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวแต่อาจจะใช่นะเจมหมวยจะไปเผาศพเนี่ยนะถ้าไฟไม่ขนาดนี้เผาศพไม่เสร็จแน่บางก็เออใช่ใช่แล้วหลุมฐานเพลิงแน่นอนเลยมาภูตรูปสี่ปรากฏดุจอสรพิษที่มีพิษร้ายเนี่ยนะเราเลี้ยงงูกันนะ เลี้ยงผมก็เลี้ยงงูอ่ะเชื่อเหรอเลี้ยงขนก็เลี้ยงงูเลี้ยงเล็บก็เลี้ยงงูเลี้ยงฟันเนี่ยก็เลี้ยงงูแปลงเขี้ยวให้งูเงนะแล้วก็ผิวหนังก็งูเนื้อก็งูเอ็นก็งูกระดูกก็งูเนี่ยนะน้ำตาน้ำลายน้ำเลือดน้ำน้องก็งูอย่างเงี้ยธาตุไฟก็งูธาตุลมก็งูโอแล้วก็เลี้ยงเก่งกันมากเลยนะดูแลงูไปขันห้าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาประดุษ เพชจะฆาตพุ่งเงื้อมดอนนะมันเป็นเพชจฌฆาจริงๆนะขันท่าเนี่ยก็รูปฆ่ารูปรูปฆ่านามนามฆ่ า, ารูปรูปฆ่ารูปน้ํามฆ่านามนามฆ่ารูปรูปฆ่าน้ําก็ฆ่ากันอยู่อย่างนี้นะมันก็เลยเหมือนเพชรจะฆาตแต่และอย่างเนี่ยมันพร้อมที่จะฆ่ากันเองอย่างเราอยู่นี่ดูเหมือนอยู่สบายๆกันนะอย่าคิดนะว่าจะไม่ฆ่ากันได้ในที่สุดลองผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันดูดิก็พร้อมที่จะเข็นพร้อมที่จะฆ่าเดี๋ยวก็เป็นมิตรเดี๋ยวก็ฆ่ากันเดี๋ยวก็ แดีวก็เข่นเดี๋ยวก็ฆ่าเดี๋ยวก็ฆ่าเดี๋ยวก็แกงกันอยู่อย่างงี้แม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่พี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่ญาติฆ่าญาติเพื่อนฆ่าเพื่อนในที่สุดกลายเป็นจากศัตรูมาเป็นมิตรจากมิตรทั้งขันโลกของขันห้าที่อยู่ด้วยการเข่นฆ่ากันจริงๆอย่างในในพระไตรปิฎกเนี่ยนะที่ที่พูดถึงว่าอย่างพระพิสุบางรูปไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเนี้ยพระองค์กระตัดว่าเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ฆ่าเธอมาแล้วหลายชาตินะอย่างเงี้ยทั้ง เพราะขันห้าเหล่านี้มันเป็นที่ตั้งแห่งการเข็นฆ่ากันจริงๆเนี่ยนะถ้าตอนที่อะไรนะผลประโยชน์ลงตัวก็ไปด้วยกันได้พอมไม่ลงตัวเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะเข็นฆ่าเพรา ะ, ะแสดงว่าเราก็เป็นผู้ฆ่าซึ่งกันและกันถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราเด็กก็แย่งกันฆ่าไปใชอีกฝ่ายหนึ่งไปเหมือนกับบ้านเมืองมีสงครามอยู่คนละฝักคนละฝ่ายฝ่ายนี้ข่าฝฆ่าฝั่งโน้นฝั่งโน้โนฆ่าฝั่งนี้ถ้ายังมีขันห้าอยู่ก็ถือว่าอยู่โลกแห่งการเข็นและการ ฆ่าเนี่ยนะก็พร้อมที่จะถูกฆ่าแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้ฆ่าพร้อมที่จะถูกฆ่าพร้อมที่จะเป็นผู้ฆ่ามันโอ้ยจะไม่วัตถุอันตรายได้ยังไงนาะอันตรายจริงๆเ น, นะงั้นเวลาส่องกระจกมาโอ้ยวัตถุอันตรายอันตรายมากๆเลยนะเนีรยวังให้ดีนะอย่างนั้นนะอายตนะภายในหกปรากฏเหมือนเรือนร้างบ้านร้างตาเนี่ยนะบ้านร้าง ก็กลองหาอะไรม า, มาซอยดูในตาที่มันร้างไว้ยริงมันไม่มีใครอยู่ในนั้นจริงๆซอยลงไปในหูก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆควานเข้าไปในจมูกก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆในลิ้นนะก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆในร่างกายก็ไม่มีอะไรอยู่อย่างแท้จริงตัวใจก็ไม่มีสัตว์หรืออะไรอยู่ในนั้นอย่างแท้จริงเร่งเหล่านี้จึงเหมือนบ้านร้างอายตนะภายนอกรูป ก็ปล้นเอากุศลไปหมดเนี่ยนะลืมตามองเห็นรูปรูปเหล่านี้ก็ปล้นเอาบุญไปหมดเลยหูได้ยินเสียงไหนก็ปล้นเอาบุญไปหมดได้กลิ่นอะไรขึ้นมาเนี่ยได้กลิ่นต้มยำนี่เหลือบุญอยู่ไหมสติปัญญาอย่างเหลือหรือเปล่านอ้องอนี่ปฏิกูลนะอาหารเรปฏิกูลสัญญาอย่างนี้มาเลย น, ะน้อยนักแล้วเหมือนเพราะฉะนั้นทุกทวารเนี่ยนะทุกทวานนี่ก็เหมือนกับโจรปล้นนะอารมณ์ภายนอกทั้งหมดนี่เหมือนกับโจรปล้น มันไม่ใช่เหมือนแบบมัน